กาศึกษาโราเรียนในส่วนที่ไม่มีในหลักสูตรที่รัฐบาลเขาจัดให้หรือที่การศึกษาในในี้เขาก็ไม่จัดให้เราแต่จริงในสังคมไทยก็มีมากมายนะตรงนั้นตรงนี้เราอาจจะเรียกว่าเราลืมศึกษาไปก็ได้เราก็เลยมาเรียนรู้มาศึกษาในสิ่งที่เราลืมศึกษาไปหลาหลายคนอาจจะมีการเริ่มต้นของการศึกษา ครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็อาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นแล้วก็เลิกไปก็มีแต่บางคนนี่คือจุดเริ่มต้นจุดแรงและอาจจะศึกษาต่อไปเรื่อย ๆ, ๆเพราะนี่คือหนทางของชีวิตคือเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าที่ท่านว่านี่คือมัคมักควิถีของชีวิตหลายคนนะ่ะไม่มีการศึกษา เรื่องของจิตใจเรื่องของทุกข์เรื่องของการดับทุกข์เรื่องของชีวิตจิตใจจริงๆไม่ได้มาเฝ้าดูไม่ได้เรียนรู้จริงๆระบบการศึกษานี้เราไม่เคยได้ย่างกรายเข้าศึกษาเราเรียนเราอาจจะอยู่ในระบบการศึกษาแบบโลกๆคือทางโลกเขามีการศึกษาอะไรเราก็นึกว่าอันนั้นแต่จริงๆนั่นคือระบบการ เรียนรู้ฝึกศักษะการดำมาหากินเพื่อให้เกิดความสะดวกกับชีวิตแต่เนื่องจากว่าวงประกอบของชีวิตเนี่ยมันมันไม่ได้มีในส่วนเดียวที่เป็นร่างกายแต่มันมีจิตใจดังที่พระองค์ตราวไว้ว่ า, าชีวิตนี้ประกอบไปด้วยกายกับใจและรูปกรามนามกายนี้มีขนาดกว้างสอกยาวานาะคืบ และมีสัญญาและใจสัญญาหมายถึงความจำและก็จิตที่มันนึกมันคิดที่นี้หลายๆส่วนหลายๆงองค์กรเขาก็จัดการศึกษาเพื่อพดุง ความต้องการของคนของมวลชนของสังคมให้เป็นไปตามความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ซึ่งนั่นก็ไม่หมายว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจสัจธรรมคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเราก็เอาประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็คือเอาคนส่วนใหญ่เมื่อคนส่วนใหญ่เป็นผาน ข้อตกลงก็เป็นพานเมื่อคนส่วนใหญ่เป็นอวิชชาข้อตกลงที่ได้รับก็คืออวิชชาอาวิชชาแปลว่าสภาพของจิตที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการดับทุกข์วิชาแปลว่าความรู้อะแปลว่าไม่ไม่มีสภาพธรรมะที่เป็นเครื่องมือในการดับทุกข์ ทีนี้เราจะเอาใครเป็นแบบอย่างที่จะเราดำเนินชีวิตในสังคมเนี่ยถ้าเอาคนที่มีความทุกข์เอาผานเอาผ่านชนเราก็ได้บุคคลที่เป็นผ่านมาเป็นตัวอย่างจนกระทั่งเป็นอันถานแต่ถ้าเราบัณฑิตเอาสัตยรบรุุษชีวิตเราก็จะนำไปสู่ความเป็นโพธิ์ที่เป็นพุท ธ, ธเป็นผู้สิ้นทุกข์ได้ แต่พอเพิ่งว่าวิธีการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนปับันนี้เราก็ไหลไปสู่กระแสของความคิดความอยากความต้องการตามลักษณะของการไม่เคยทวนกระแสของเวทนาเวทนามันเกิดขึ้นยังไงมีอุปทานครอบงำไม่ครอบงำเวทนาทนานี้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ เราไม่มีโอกาสได้รู้คือเวทนาเกิดขึ้นยังไงพอใจไม่พอใจเราก็สแสวงหาสิ่งนั้นดังนั้นการศึกษาที่เรามีเนี่ยเป็นเครื่องมือมาช่วยในการสแสวงสนองตอบของตัณหาที่เรามีอยู่แล้วในเวทนาตัณหามีมันมีเครื่องมือการศึกษาดียิ่งสร้างประโยชน์ให้กับ เวทนาในอุปทานในเวทนามากขึ้นมันสะดวกมากขึ้นคนร่ํารวยก็สนองตอบเวทนาของตัวเองได้สะดวกสบายมากขึ้นคนจนก็ตอบสนองอุปทานในเวทนาไม่ได้สะดวกเท่าไหร่แต่มันก็จะจํากัดความคิดอยู่ตื้นๆคือมันไม่ได้เป็นเพื่อเพื่อความรู้พร้อมไม่ได้เป็นไปอย่างที่พระสุคตประกาศ คือไม่ได้เป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นอย่างที่เขาเรียกว่าสัจธรรมชีวิตมันมีสัจธรรมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราทำยังไงอะชีวิตเราจึงจะดำเนินไปตามสัจธรรมที่มันมีอยู่เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้สะดับไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้แล้วก็ไม่เคยศึกษาเรื่องของรูปของนามของกายของใจตามความเป็นจริง ที่เกิดมาเราไม่เคยเฝ้าดูข้อมูลทั้งหลายที่ได้รับรู้สึกว่ามีความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจอะไรลราก็ไหลต า, ามกระแสแล้วระบบของสังคมความเปลี่ยนแปลงปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดกิเลสได้เป็นอย่างดีและอย่างมากด้วยมันกระตุ้ น, นใจเราเกิดกิเลสมากๆ คือกิเลสเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นเหมือนมเมล็ดพืชฤดูการแบบนี้หวานมันจะงอกงามดีมากกิเลสงอกงามได้ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ดีมากจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่ากลัวสำหรับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เกิดมาที่มีความไม่สังวรระวังไม่มีการศึกษา กายศึกษาจิตตัวเองให้ดีพอเนี่ยมันจะไหลเข้าสู่เวทนาที่มีตัณหามีอุปทานคือมันใกล้มากพัสสะเวทนาตัณหาอุปทานกระแสของปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพูดพลาดไปก็เป็นทุกข์ทันทีนั้นในะปัจจุบันจึงไม่แปลกที่ปัญหาบ้านเมืองเกิดขึ้นมากมายหลากหลายทุกทิศทาง ปัญหาทั้งหมดเกิดจากอะไรเกิดจากคนเราพัฒนาคนไม่ถูกระบบระบบการศาึกษาก็ไม่เอือ้อต่อการที่จะเข้าใจเรื่องของชีวิตมันจึงเป็นเครื่องมือก่อให้เกิดปัญหาต่างๆแบบต่อเนื่องเป็นปัจจัยการข้าไปเรื่อยๆปัญหาคนแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องการเมืองปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคม มันเกิดขึ้นมากมายตามมาจริงๆคืออะไรคือการบริหารจิตใจไม่ดีพอ น, นั่นเองการไม่เข้าใจชีวิตที่เพียงพอเมื่อไม่เข้าใจวิถีชีวิตที่เพียงพอระบบการจัดการเนี่ยมันก็ไม่ตรงอย่างที่ท่านใช้คาว่ามัชชิมาเนี่ยมีไม่เกิดขึ้นไหมตำหลักของศาสนาพุทธมันไม่เกิดขึ้นนะเมื่อมันไม่ถูกไม่ตรง กับสัจจะที่มันต้องเป็นเนี่ยไม่ใช่ควรจะเป็นนะมันต้องเป็นแบบนั้นคะับมันไ ม, ไม่เป็นแบบนั้นความผันแปรความแปรปลวนก็เกิดขึ้นเราก็ตามแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไปเรื่อยๆเราไม่ต้องมองไกลอตัวของเราเองแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยขนาดมันไม่มีสัมมาทิฏฐิเฉพาะตัวเราเองเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมากขนาดไหน ขัดสนในเวทนากระทบปุบมันไม่มีสัมมาทิฏฐิในการเห็นเป็นรูปเป็นนามตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะเกิดมันจะกระตุ้นให้เกิดความพอใจความไม่พอใจเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดโทสะเป็นโลภะเข้ามาเป็นความอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากในกามในภพในชาติเกิดขึ้นทันที พอมีกับเรามีความเห็นปิดนี้มันก็เกิดเราขึ้นมาเกิตัวเราเกิดครอบเกิดครัวครอบครัวของเราเป็นยังไงมีความรู้สึกไม่ต่างจากเราพอกระทบภัษตา ก, ก็เป็นเหมือนกันต่างคนต่างมีความอยากกระแสของจิตเนี่ยไม่ได้รับการดูแลจากสิ่งที่ทางเรียกว่าธรรมะไม่ได้มาคุ้มครองหรือสติไม่ได้ควบคุมเกิดจิตใจเรามันก็ไหลไปตามกระแสทีนี้ลูกหลานน่ะ ลก็เกิดลูกเกิดหลานขึ้นมาลูกหลานก็มีความคิดแบบเดียวกันท่านต่างคนต่างเป็นผลิตผลผลิตของความทุกข์เป็นผลผลิตของความไม่รู้เป็นผลผลิตของอวิชชาจิตทุกดวงที่ปรากฏขึ้นแต่ละขณะในภัสรส์ไม่มีปัญญาเข้ามาควบคุมไม่มีวิชามีแต่อวิชชา คือความไม่รู้ความไม่มีสภาพธรรมที่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์มันไม่เกิดมีแต่เป็นสภาพของความไม่รู้เป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่ในนั้นมีแต่ตันหามีแต่อุปท า, านนั้นเวลาผัดสะแต่ละครั้งมีอวิชามีตันหาอุปท า, านพบชาติเลยเสร็จสับนั้นเราจะให้เรามีความสุขขึ้นมาในตัวเองในสังคมในครอบครัวในบ้านในเมืองมันเป็นไปได้ไมมันไม่ได้ มันจะมีกี่คนกี่ยุคกี่สมัยกี่รัฐบาลกี่ใครมาบริหารมาจัดการก็ตามมันเกิดไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้บริหารชีวิตนี้ให้ถูกกับกฎสัจธรรมสัจจะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้มันเป็นยังไงเนี่ยนั่นถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีเลิศแล้วที่โลกมนุษย์มีนั่นจะเกิดโลกมนุษย์มาเนี่ย ท่านคนพบสัจจะคือเป็นนี้นะชีวิตต้องเดินไปอย่างนี้แต่เราก็ไม่ใส่ใจชีวิตมันเป็นก้อนทุกก้อนหนึ่งเกิดมาเนี่ยเกิดจากรูปจากน้ำเกิดจากความรู้สึกเป็นผัสสะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นธาตุสีดินน้าไฟลมประกอบกันขึ้นเราเคยมาศึกษาต้นตอมันแบบนี้ไหมชีวิตเนี่ย หรือแป๊บขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเราเกิดความพอจะไว้เราเป็นอะไรเรามีอะไรมันไหลไปตามกระแสเราต้องแก้ปัญหาเราไม่มีเงินนะเราไม่มีรถนะเราต้องมีอยู่มีกินต้องมีโน่นมีนี่นะเราตัํารวยต้องฐานะแบบนั้นไหมเราเริ่มจากนั้นใช่ไหมเราไม่ได้เริ่มจากที่รู้สึกว่าอืรูปนามเนี่ยเราไม่ได้มาเฝ้าดูตัว ต, วตนของเราจริงๆนะ นีแต่ว่าเราจะหาอะไรไปป้อนให้กับความอยากของเราเองความอยากแล้วมันจบสิ้นไ้ยเพราะอยากนี้มันก็ไปอยากนั้นอยากนั้นแล้วก็ไปอยากนีน้มันอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิน้นพระพุทธองค์เนี่ยท่านกระตุ้นให้คนมาศึกษาตัวเองด้วยระบบที่ง่ายๆมาที่ง่ายๆนะคือชีวิตเราคือก้อนทุก ก้อนทุก์แล้วมันเกิดความคิดความปรุงแต่งมันวิ่งออกไปข้างนอกเพราะความไม่รู้เท่าทันแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันเป็นผลผลิตของความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาทีเราก็ไม่ได้ไปโทษพ่อแม่พี่น้องปู่ยา่าตา ย, ยายคนไหนก็ตามนะเราไม่ได้ไปเริ่มตรงนั้นแต่เราเริ่มจากที่เราไม่ทันความคิดตัวเองเนี่ย เคือจากผัสสะแล้วก็เป็นเวทนาไปพอใจไหมพอใจเป็นตัณหาเป็นอุปทานไปทีนี้ชีวิตเราไม่มันมีผัสสะได้ไหมไม่ได้มันมีรูปมันมีอายตนะมันต้องมีผัสสะแต่จะผัสสะยังไงจึงจะไม่ทุกข์ผัสสะยังไงจึงจะไม่สําคัญมั่นหมายในอาการที่กระทบนั้น เป็นเพียงรูปกระทบรูปแล้วเกิดเวทนาดับเกิดดับเฉยๆเนี่ยเป็นธรรมชาติไม่มีความหลงไหลในความพอใจไม่พอใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับปัสาวะนั่นเน่ยชีวิตของพวกเราหลงอยู่ในวังวนของอวิชามานานอาวิชชาคือความไม่รู้ ความไม่รู้แจ้งเราท้ระ บ, บุลงไปเลยว่าอาวิชชาคือความไม่รู้แจ้งเดี๋ยวนี้เพราะมันไม่รู้แจ้งสิ่งที่ควรทำคือทำให้มันรู้แจ้งคือให้รู้จริงในผัสสะที่กระทบแต่ละครั้งเนี่ยนี่คือการศึกษาที่เราควรศึกษาควรเรียนรู้นะ่ีเวลามันกระทบผัสสะให้มันเกิดปัญญาเกิดการรู้แจ้งขึ้นมาทีนี้ มันไม่ค่อยรู้แจ้งจะให้มันรู้แจ้งเลยทีเดียวเป็นไปได้ไหมไม่ได้คือกระทบปุ๊บคำว่ารู้แจ้งก็คือมันก็ปล่อยวางรู้ตามความเป็นจริงที่นี่มันไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะมันถูกสาบมาถูกแช่งมาถูกกล่อมกลามาถูกปลูกฝังมาจนเราตั้งว่ามันเป็นเนื้อเดียวของกับอวิชชาไปหมดแล้วจิตเราเนี่ยวิธีการก็คือ ยับยั้งมันจะให้มันเป็นวิชาหนักก็คือให้มันรู้สึกตัวพยายามให้อยู่กับปัจจุบันจะให้เข้าไหลเขาไปในความคิดที่เป็นสัญชาศยาณที่เราเคยปลูกฝังมานานเนี่ยพยายามไม่ให้มันเข้าไปในนั้นโดยการพยายามที่จะดึงให้อยู่กับปัจจุบันให้รู้ตัวทุกอย่างมันเกิดจากความรู้ขึ้นมาก่อนพอรู้แล้วมันก็คิด มันรู้แล้วมันก็ปล่อยวางเราจะเอาอย่างไงเนี่ยที่ผ่านมาคือไม่รู้พอเกิดขึ้นแล้วไหลไปเลยความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วไหลไปเลยเนี่ยเป็นอวิชชาที่เราจะให้มันรู้โอ้มันรู้แล้วเนี่ยกระทบตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นก็รู้สึกมีการรับรู้แต่รับรู้แล้วเราให้มีสติอัเ น, นี้ยรับรู้แล้วให้เกิดสติ อย่างเช่นที่เราทำเนี่ยถ้ารู้ให้เกิดสติสติสัมปชัญญะรู้ว่ามันคิดรู้่ามันปรุงแต่งแต่พยายามดึงออกมาให้มากมากแล้วทำให้มันต่อเนื่องจากรู้ธรรมดาก็ให้มันรู้เป็นมหารู้จากสติธรรมดาก็เป็นมหาสติทำให้มันต่อเนื่องให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมายืนยาวมากขึ้นให้มันนานมากขึ้นกระทบผัสสะ เวตนาก็ไม่มีกิเลสมาปรุงไม่มีอวิชามาปรุงแต่งพอเราทําให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมาก่อน mm hmm. กระทบภาษาปุ๊บปล่อยวาง mm hmm. กระทบภาษาปุ๊บก็ปล่อยวาง mm hmm. ทําอย่างนี้บ่อยๆหัดใหม่แต่ก่อนพอกระทบปุ๊บคิดไปเลยกระทบปุ๊บไหลไปเลยเราไม่รู้สึกตัวได้ซ้ําไปว่าจิตเรามันไหลเข้าไปในอาการของทุกข์ วิถีชีวิตเราจึงมาเรียนรู้ใหม่เรียนรู้ตรงที่ผัสสะนี่แหละผัสสะทางมโนสานึกที่มันเกิดขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยที่มันคิดขึ้นมาพอมันจะคิดเราก็มารู้สึกพอมันไม่คิดเราก็รู้สึกไว้คือตั้งสติสตินี้มันเหมือนกุญแจไขไปสู่ความลับทั้งหมดในจิตเราในความพอใจไม่พอใจในความชอบความชังมันเร็วมาก จิตเราเนี่ยมันกระทบผัสสะแล้วมันมีความเร็วมากเร็วประดุดดังสายฟ้าเราจะเห็นว่าเวลามันคิดอะไรเนี่ยมันเร็วมากเวลามันโกรธยมันวุ้บเดียวเวลามันคิดถึงบ้านถึงเดือนมันก็วุ้บเดียวถึงละมันไปเร็วมาเร็วมากเวลามันเกิดชอบเกิดชังโกรธเกลียดอะไรเนี่ยมันเกิดอารมณ์แล้วมันไวมากวุบเป็นตัวเป็นตนเลย ดังนั้นเวลาเราปฏิบัติรมเราก็ต้องมาฝึกสติให้มันรู้เท่าทันและมันมีความเร็วพอๆกับที่มันคิ ด, คดวกขึ้นมาแบบนั้นแหละในเบื้องต้นเราก็อาศัยการระลึกรู้อยู่กับกายกับการเคลื่อนไหวกับอาการกายทั้งหมดอาการ32เนี่ยทีนี้จะกําหนดอาการทั้ง32ของร่างกายให้ต่อเนื่องเลยมันคงไม่ได้มันก็เกิดความลังเลใจ ดังนั้นก็เอาตรงจุดใดจุดหนึ่งระ ล, ลึกการเดินก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็น่อยนอนก็ได้ระ ล, ลึกรู้อยู่ในอริยบทใดบทหนึ่งจก็ทั้งว่ามันต่อเนื่องมันมีความชำนาญและความรู้ตัวทั่วพร้อมในอริยบทอืน่นในส่วนอื่นของร่างกายก็จะตามมาหลักสูตรของการเรียนรู้ชีวิตเนี่ยท่านใช้คาว่าสติปัฏฐาน คือเริ่มต้นในการกำหนดรู้กายและลึกรู้อยู่กับกายทีนี้ในกายมันก็มีเวทนาก็ดูเวทนาขณะที่ดูเวทนามันก็มีความคิดมีความรู้สึกพอใจไม่พอใจแล้วก็ดูมันอ๋อดูกายเฉยๆก็มีเวทนาก็ดูเวทนาเวลามันคิดก็ดูความคิดมันมีอารมณ์ก็ดูอารมณ์มันไม่คิดก็รู้มันไม่คิด คือดูวกายดูเวทนาดูจิตดูอารมณ์ที่มันเกิดกับจิตดูเวทนาที่เกิดกับกายคือดูทั้งหมดมันจะเป็นอยู่อย่างเนี้ยจริงๆก็คือมีสติอยู่กับตัวนั่นแหละมีสติอยู่กับตัวแต่เมื่ออยู่กับตัวมากขึ้นมันจะมีความละเอียดละเอียดไปเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นอารมณ์ลงไปมันอยู่ที่ว่าสติอยู่กับกายเราเนี่มีความละเอียดมีความมั่นคงระดับไหน ถ้ามันมีความมัดคงอยู่กระทั้งวันมันต่อเนื่องเป็นสมาธิมันก็จะเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นอารมณ์เองโดยธรรมชาติคือเหมือนไฟนี่แหละถ้าเราจุดแล้วมันสว่างมากขึ้นมาขึ้นมันก็จะเห็นอะไรที่มันละเอียดแต่ถ้าไฟสว่างในน้อยความละเอียดก็ไม่เห็นเข็มเล่มหนึงตกลงไปเราหาไม่เจอแต่ถ้าไฟมันสว่างขึ้นมันก็จะเห็นเข็มเหมือนกันน่ะเห็นกายแล้วเห็นกายแล้วความคิดอารมณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าสติมันรู้ แจ้งชัดดูกับกายมันก็จะเห็นเวทนาจิตธรรมเองโดยธรรมชาติที่นี้การเห็นนะเนี่ยการเห็นแบบวิปัสนาเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันเกิดการเห็นแล้วมันเกิดการถอนความพอใจและความไม่พอใจในรปูปในเวทนาในอาการกายอาการจิตออกได้เนี่ยเขาเรียกว่าสติปัฏฐานที่แท้จริงแต่ถ้าเห็นเฉยเฉยแล้วเห็นแล้วก็ลืมเห็นแล้วก็ลืมตัดได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นสติปัฏฐาน เป็นการกำหนดรู้ธรรมดาหยุดกำหนดรู้ก่ลืมเราต้องทำให้จุกระทั่งว่ามันเกิดการเห็นกระบวนการของการเห็นเนี่ยเขาใช้คำว่าเกิดนิพพิทาเกิดวิราคะจิตของเราเองหลงไปพอใจไม่พอใจมานานหลงไหลว่าเป็นตัวเราของเรานี่คือส ม, มุทฐานของทุกขจ์จริงๆ คือความหลงหลงสําคัญมั่นหมายว่าในอาการกายอาการของจิตว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเรารูปนี้เป็นของเรานามนี้เป็นของเราเราจึงมาสร้างสติเพื่อมาเฝ้าดูมันไงดูจนทั้งหมดมันคลายออกมานิพิทาคือคลายคลายความเข้าใจแบบนั้นน่ยเมื่อก่อนเวลาเราทุกข์เราก็คิดว่าเราทุกข์มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็คิดว่า คนนั้นคนนี้วัตถุสิ่งของนั่นนี่รูปมีเรามีเขามีตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นกูเป็นมึงทำให้เกิดผัสสะทำให้เกิดยตนาเกิดเวตนาเกิดเป็นตัณหาเป็นอุปทานเป็นภพเป็นชาติมันมีคนทำให้เราเป็นทุกมีสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกเราก็เลยสำคัญมั่นหมายว่าเราต้องหานันนี้มาแก้แต่ความจริงก็คือไอความเข้าใจเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ผิด มันเป็นความเข้าใจผิดความเข้าใจนี้ปีนี้เขาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไอ้ตัวมิจฉาวิจินี้นก็คือตัวอวิชานั่นแหละไม่มีภูมิปัญญารู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่าอาวิชามันทําให้เกิดมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นที่ไม่ตรงความเห็นที่ผิดเพี้ยนไปจากสัจจะพอมีความเห็นที่ผิดเพี้ยนเนี่ยมันเริ่มตันทีเลย เริ่มการจัดการกับชีวิตแบบความเห็นที่ผิดนั่นแหละเพราะมันผิดมันก็ผิดเนี่ยถ้าไมโครโฟนเนี่ยเราสําคัญว่าเป็นกล้วยเนี่ยมันก็จะกินเน่ยเพราะมันเห็นผิดเนี่ยเห็นสายไฟเนี่ยนึกว่าสายก๋วยเตี๋ยวก็จะผิดทีนี้เราเห็นทุกที่เกิดขึ้นในชีวิตเราว่าเป็นความสุขเดี๋ยวนี่ยเห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยว่าเป็นของเที่ยง เห็นสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นสกายะทิฏฐิมีความเห็นว่าเป็นตัวกูเป็นกายกูเป็นของกูไงทั้งที่มันเป็นธรรมชาติเกิดดับธรรมดาดงั้นถ้าจะแก้ปัญหากับโลกนี่คือคุณต้องไม่คิดว่าคุณคือคุณะเราต้องไม่คิด ไม่มีความสำคัญมั่นหมายในกายเวทนาจิตทำนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเละเป็นเราเป็นเขาตัวเราเราคิดว่าเป็นตัวเราไม่คิดว่าเป็นธาตุตัวคนอื่นเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นการสแสดงออกหรือการเกิดขึ้นของอาการของขันธน์้าอาการของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณ แต่เรามีความสําคัญมันหมายว่าเป็นมืองเป็นกูเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายมีความรู้สึกว่ามันถูกมันผิดขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นการกระทําที่ผิดนะอันนี้เป็นการกระทําที่ถูกนะพอมีความรู้สึกนี้มันก็จะเกิดเวทนาเกิดพอใจไม่พอใจเป็นตัณหาอยากจัดการอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากให้เป็นอย่างที่เราคิดอยากเป็นอย่างที่เราคิดอย่างที่เราคิดคืออะไรก็คือมิจฉาทิฐินั่นแหละ นั้นเวลาจัดการมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิจัดการกับมิจฉาทิฏฐิผิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งว่าสังคมนี้ที่มันอยู่ปัจจุบันนี้คือผลผลิตของมิจฉาทิฏฐิก็ว่าได้มันมีชนกลุ่มหนึ่งคือสาวกของพระพุทธเจ้าพยายามที่จะกระตุ้นเตือนให้คนเกิดสัมมาทิฏฐิโดยการที่กลับมามองตัวเองเนี่ยมมองดูกาย มาดูก้อนทุกข์กันเนี่ยบางทีก็มีลัทธิมีิกายมีแนวความคิดมาหยุดยั้งตัวตนหาความนึกความอยากของสังคมที่มันเกิดเลยไปเนี่ยพูดถึงเรื่องบาปเรื่องกรรมมันจะเป็นทุกข์นะตกนรกนะแบบนั้นแบบนี้นะอันนี้เป็นกรรมเก่าอันนี้เป็นกรรมใหม่อะไรเกิดขึ้นขอให้ยอมรับให้ยอมรับ ว่าเป็นกรรมเป็นเวรมันก็หยุดได้ในระดั บ, บนึงแต่เมื่อไหรที่ความอยากมันมีมากขึ้นเช่นปัจจุบันในความอยากของคนมีมากขึ้นเราจะเอาเหตุผลอันนี้มาอ้างไม่ได้ละเพราะมันไม่ใช่สัจธรรมถ้าเป็นกรรมเวรก็ต้องกรรมเวรแบบในแบบของปรมัติ์ที่เห็นได้รู้ได้เข้าใจได้ในปัจจุบันนี้ ปรมัดก็คือสิ่งที่สัมผัสได้ในปัจจุบันในขณะนี้เดี๋ยวนี้แต่เมื่อไหร่ที่มันกลายเป็นอดีตอนาคตจะไม่ใช่เรื่องของปรมัดละดังนั้นถ้าเป็นเรื่องกรรมเวรก็ต้องเป็นกรรมเวที่มันตอบสนองได้เดี๋ยวนี้อธิบายได้เดี๋ยวนี้ถูกผิดเกิดขึ้นณนะปัจจุบันเนี่ยึ้นหลักสัจธรรมมันมีแบบนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เอามาใช้ เราจึงพยายามหันเข้ามาศึกษาชีวิตของตัวเองให้มาดูรูปดูนามดูกายดูใจที่บอกว่าให้เกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือดูกายเนี่ยดูเข้ามาตรงๆที่ปัญหาเนี่ยปัญหามันเกิดที่ไหนที่รูปที่นามเข้มาดูรูปดูนามเนี่ยถ้จะเห็นอาการของรูปของนามที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยธรรมชาติเป็นแบบนี้กระตุ้นให้คนเกิดวิชาคือความรู้ที่จะมาเฝ้าดูตัวเอง เพื่อให้เกิดการเห็นวิชาคือมีความรู้นั่นเองมันเกิดจากอะไรเกิดจากสติในการมาเฝ้าดูกายคือความทุกข์นี่มันเกิดขึ้นที่กายนี่แหละแล้วเขมาเฝ้าดูกายพอดูสัหน่อยสิ่งที่มันละเอียดมันเป็นเชื้ออยู่ข้างล่างก็คือจิตจิตมันติดเชือ้อติดูประทานอา้าสลายได้ไหมตัดได้ไหมปล่อยวางได้ไหมก็เริ่มเห็นกัเกได้สัมมาทิฏฐิวิชาเหมือนกัน ฝึกให้เกิดปัญญาปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงก็คือวิชาก็คือสัมมาทิฏฐิจะคือสติคือมหาสติคือญาณทัศนะโอ้ยสารพัดแต่เราจะพูดแต่ความหมายก็คือประเด็นเดียวกันเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการศึกษาเรียนรู้เรื่องของชีวิตจิตใจเราจริงจริงจังจั ง, จงเนี่ย เราจะได้รับผลได้รับอานิสงส์เสมอการมดไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่แต่ถ้าผูดแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยศึกษาก่อนวัยอันควรเล็กๆน้อยๆมาเขาศึกษาเขาเข้าใจชีวิตตั้งแต่นั้นไปจนถึงตายเนี่ยเขาจะมีความไม่ทุกข์เขาจะดําเนินชีวิตเป็นสัมมาทิฏฐิตรงไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นตกเป็นทาตของกิเลสตัณหา จนทั้งไปสู่ความดับทุกข์ได้เลยแหละจนถึงถึงวันตายคือหมายาว่าเขาตายเสียก่อนตายตั้งแต่เขาโตทีแรกแรกในหลายคนในพุทธศาสนาเกิดมาเป็นอรหันต์ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบบรรู้อรหันต์ตั้งแต่อายุอย่างน้อ ย, อยบางทียังไม่ได้บวชยังไม่ได้ศึกษาเรื่องทางโลกโดยซ้ําไปอะ แค่มาเฝ้ามองดูจิต ด, ดูใจก็เกิดการเข้าใจธรรมะแบบแจ่มแจ้งล้บุคคลใดก็ตามมาที่เกิดมาในนี้มีลูกมีเต้ามีครอบมีครัวมีผัวมีเมียมีสมาชิกของเราในสังคมในครอบครัวได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมได้เกิดปัญญาลู้แจ้งแล้วเป็นดวงตาให้กับสังคมเนี่ยเราจะถือว่าเป็นคนที่มีอุปการะคุณกับโลกอย่างมากเลย เราได้ช่วยโลกมันตื่นขึ้นเน่ได้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดการพ้นทุกเกิดมันเจิดผลจากมัจจุราชเกิดจากมียามานพวกเนี่ยแต่นี้เราไม่รู้อะไรเราพัฒนาลูกหลานสังคมเราไปเลยไปเพื่อมาสนองตอบความรู้สึกเราเองว่าเราอยากได้หน้าได้ตาอยากเป็นผู้มีเกียรติยศศักดิ์ศรีในสังคมอยากอยู่ดีกินดีอยากมั่งอยากมีนั้นผลผลิต เราสร้างลูกสร้างหลานสร้างมาจากความโง่เราแล้วเราก็พยายามให้ลูกเราโง่เหมือนเราไม่อยากให้มันเรียนรู้ให้มันเกิดสติเกิดปัญญาเกิดการพ้นทุกข์ถ้ามันจะไปปฏิบัติธรรมเราไม่อยากให้ปฏิบัติมันจะพ้นทุกข์มันจะบวชมันจึงศึกษาจะนะเราไม่อยากให้มันเป็นเราอยากให้มันหนุนเราคือเรามีกิเลสตัณหาเราก็อยากให้มันเป็นกิเลสตัณหาเมื่อเราเมื่อไหร่ที่เราเกิดปัญญาเราจะรู้สึกว่าการที่เขาเกิดมาเป็นคนเนี่ย มุสุมันเป็นเรื่องที่ทรมานมากเป็นเรื่องที่ทุกข์มากมันเป็นความหลงของเราเองแล้วเราก็อยากชี้นําชี้เนะี่ยไปสู่เป้าหมายของการพ้นทุกข์ที่แท้จริงเราไม่อยากให้มานเกิดเกิดได้ตายแบบเราเนี่ยมันเกิดเป็นทุกข์อยู่แบบเนี้ยขนาดเราคิดได้ก่อนเขาเนี่ยเรายังพัฒนาตัวเองในแค่นี้ยแล้วถ้าเขาคิดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเขาตกเป็นธาตอารมณ์ตลอดเวลาเนี่ยแล้วเขาจะไปทางไหนนชีวิตเขานะ ดังนั้นสังคมเนี่ยมันไม่มีไม่มีทิศทางไม่มีแนวทางไม่มีแนวโน้มว่าเราเกิดมาเนี่ยเราต้องการที่จะมาผลิตครูให้กับโลกเราไม่ได้คิดว่าจะผิดลูกผิดหลานนี้ให้มันพ้นทุกไปแล้วหลงว่าเราเกิดมาเป็นทุกข์เราไม่ได้เห็นว่าโลกนี้มันเป็นทุกข์อยู่แบบนี้เราจะแก้ปัญหากับโลกไม่ใช่เราอยากสนองตัญหาเราตลอดเวลาเราจึงพยายามแสวงหาอะไรเพื่อมาตอบสนองอารมณ์ตัวเองไง นั้นวันวนหนึ่งเวลาเรามองดูเราทุกข์มากคนมันเป็นทุกข์มากทุกจนพูดภาษาเดียวกันไม่รู้เรื่องเขามีภาษาของเขาภาษาทุกข์ของเขาธรรมะก็เป็นภาษาของธรรมะแต่ทุกคนเวลาเขาทุกข์มาแล้วเขาก็กระเด็นไปหาธรรมะเหมือนเดิมคือกลับมาหาความปกติตัวเองนั่นแหะจริงๆชีวิตที่อยากให้มันปกติไม่อย่างมันทุกข์ อยากมีเงินเพื่ออะไรเพื่ออยากให้ใจมันสบายสบายอยากมีผัวมีเมียเพื่ออะไรอยากให้มันสบายสบายไม่ใหไม่คิดอะไรให้มันปกติมันมีกีเด็ตัณหาไปเนี้ยพอมันมันเล่าร้อนพอมันเล่าร้อนเขอยากตอบสนองทีนี้เขาไม่รู้วิธีที่สลายความรู้สึกแบบนี้ได้โดยที่ไม่ต้องมาหาสนองถ้าตอบสนองมันมีเงื่อนไขอะไรต่อไปมากมายหลากหลายเขาไม่รู้เขาไม่ได้เรียนรู้อันอนั้นเขาไม่ได้เข้าใจ การแสวงหามันก็เกิดขึ้นแบบนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพูดในว่านี้คือผลผลิตของความทุกข์ผลผลิตของอวิชชาแล้วอวิชชานี่แหละคือตัวทำลายโลกอวิชชานี่แหี่คือตัวการที่ทำให้เกิดโลกร้อนเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่รู้จักพอแล้วมาทำให้ใจร้อนใจมันก็วิ่งแสวงหาโน่นนี่ ตัวใจที่มีอวิชชาเนี่ยทำลายปันทำลายทุกอย่างสร้างปัญหาให้กับโลกทุกอย่างคือมันสร้างให้กับตัวเราเองเนี่แหละถ้ามันเกิดวิชาขึ้นมาเอา้าตัวเองมีความสุขมันจะรู้ขอบเขตอะไรขนาดไหนเนี่ยหลายหลายคนนะได้ศึกษาได้เรียนรู้เรื่องราวของสติปัฏฐานสี่อย่างเช่นอยู่ที่นี่จนมาถึงวันนี้ แล้วก็ปฏิบัติทรมาสี่ห้าหกวันเราจะรู้สึกว่าพุทธธรรมเนี่ยมันแก้ปัญหาโลกได้จริงๆแล้วมันมันก็เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยมันไม่ใช่เรื่องของคนแก่ไม่ใช่เรื่องของเด็กแต่มันเป็นเรื่องของคนที่ต้องการเอาชนะความทุก คนที่ต้องการเข้าใจความทุกข์ต้องการพ้นทุกข์อยากดับทุกข์แบบสนิทไม่ใช่หลงอยู่กับเวทนากับความสนุกไปวันๆเราต้องการอยู่ที่ใดก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเราอยู่ที่ไหนก็เหตุปัจจัยมันก็เกิดจากจิตเราเองเงื่อนไขที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากจิตเกิดจากเวทนาทั้งจิตที่มันปรุงแต่งขึ้นมาปฏิบัติอยู่ที่นี่ก็ไม่ เ, เป็นทุกข์ปฏิบัติที่นั่นก็ไม่มันเป็นทุกข์ ใช้ชีวิตที่นี่ก็ไม่เป็นทุกข์ใช้ชีวิตที่บ้านก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าไปอยู่ที่นี่ก็เป็นทุกข์อากนีไปที่โน่นอยู่ที่โน่นก็เป็นทุกข์อ ย, างอ ย, า, งอยางอยู่ที่นี่มันไม่มีวันสุขหรอกไอความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วมองชีวิตไม่เป็นอยากหาแต่เงื่อนไขาทางอื่นมาป้อนให้กับตัวเองมันยังมองว่าความทุกข์ความสุขไม่ได้เกิดจากขันาหน้านี้ แต่เกิดจากเหตุปัจจัยของโลกเกิดจากสถานที่ถ้ามันมีความรู้สึกอย่างเนี้ยมันไม่อยากอยู่ในโลกนี้เดี๋ยวมันก็อยากไปอยู่โลกดาวอังคารเดี๋ยวไปดู่โลกพระจันทร์ไม่อยากอยู่ที่จังหวัดนี้ก็ อ, อยากไปอยู่ที่จังหวัดนั้นไม่อยากอยู่ในวัดนี้ก็อยากไปอยู่ที่วัดนั้นไม่อยากเป็นตัวตนของคนคนนี้ก็อยากไปเกิดในภพภูนอย่างอื่น แค่ความรู้สึกตอนนั้นเองถ้าเราสลายความรู้สึกเราเกิดการปล่อยกันวางมันก็จบแล้วทีทามันไม่จบเราก็ทําบ่อยๆศึกษาบ่อยๆดูมันบ่อยๆว่ามันเกิดมันดับยังไงตรงไห น, นเขาดูมากเข้ามากเข้าดูกายมากเข้ามากเข้าเนี่ยจนเป็นไปบางที และลึกรู้อยู่ บ, บ่อยๆมันจะคิดออกไปกันและลึกรู้กลับมาและลึกรู้ดู บ, บ่อยๆดู บ, บ่อยๆดู บ, บ่อยๆจนกระทั่งว่าเห็นเขาให้เห็นความไม่งามในร่างกายเนี่ยดูเป็นไหมดูความไม่งามอย่าไปดูแต่ความงามหลายอย่าหลงไปปรุงแต่งมันกับความงามแต่หลงดูมันดูมันเฝ้าดูวันหนึ่งเนี่มียังไงผมขนเล็บฟันหนังเป็นยังไงบ้างความเสื่อมที่เกิดขึ้น ดูไปเหมือนซากศพคือดูให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเจอถ้ามันเกิดความเหนื่อยหน่ายคลายกำหนัดถ้ามันจะนึกไปเรื่องอื่นแล้วนึกบาเรื่องนี้อสุภะความไม่งามอาสุภะคือความไม่งามนี่คือดูธรรมชาติของมันให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะทําให้จิตนีนมันเหนื่อยหน่ายคลายกำหนัดได้ทางหนึ่งมีสติระ ล, ลึกรู้แล้ว พอมันมีสมาธิอยู่กับตัวเองมันจะเริ่มเห็นตามความเป็นจริงร่างกายสังขารใน ม, มีแต่ความเสื่อมความเสื่อมก็ทําให้เกิดขี่เกิดขี้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันไหลออกมาเรื่อยๆ เ, เ, เราไม่ได้ขัดจัดปัดเป่าไม่ได้ดูแลไม่ได้ขัดไม่ได้สี ไม่ได้ถูไม่ได้ทํามสะาดไม่ได้ล้างไม่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งปัญหาก็เกิดขึ้นมากมายแล้วกับร่างกายนี่ถ้าเราถูกคิดโอ้ชีวิตมันเป็นแค่นี้เหรอแล้วพยายามดูมันแบบไม่ลําเอียงดูแบบไม่หลงดูแบบไม่ให้จิตมันถูกปรุงแต่งด้วยความคิดความอยากไม่ให้อวิชามาปรุงแต่งจิตมีความระลึกรู้ไอ้ตัวรู้ตัวดูให้มันบริสุทธ ดูร่างกายสังขารดูความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยให้มันบริสุทธิ์อันนี่ยตัวดูเนี่ยให้มันบริสุทธิ์อย่าให้อุปทานอย่าให้สังขารอย่าให้อวิชามาปรุงแต่งตัวรู้เนี่ยให้มันรู้โดยธรรมชาติมันนะไม่ต้องเข่าข้างตัวเองและจิตมันจะไม่มีอคติอะไรเลยมันจะเห็นตามความเป็นจริงมันเป็นแค่นี้เนาะมันแค่นี้แต่เมื่อไหร่ที่เรานั้นมาปรุงแต่งแล้นี่มาปรุงแต่ง เอาอวิชามาใส่ขนมาใส่เนี่ยมันจะหลงทางแท้ดีเลยคือจิตเนี่ยมันจะมืดบอดมันไม่รู้อะไรตามความเป็นจริงเั้นเรามาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อขยเหย่อแม่อะไรมาเกาะเกี่ยวมันไอตัวรู้เนี่ยให้มันบริสุทธิ์สะอาดให้มันเลินเลืรู้ดูตามความเป็นจริงจนทั้งว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเออธรรมชาติมันนี่มันเป็นธรรมชาติมัน แต่ถ้าไอตัวรู้นี่มันมีตัวกูตัวมึงมีวิชามหอหุ้มมาเนี่ยมันยากที่จะเห็นตามความเป็นจริงมันเปื่อยมันเน่ามันผุมันพังมันเป็นอสุภะมันก็ไม่สุภะในนี้เราประกวดกันประกวดแข่งกันงามกันสวยดูดิแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากดูอยากเห็นอยากเป็นอยากมีกันมาก เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวสติตัวรู้ตามความเป็นจริงเราเนี่ยมันถูกกลบเกินด้วยวิชาจนมันมืดไปหมดแล้วมันถูกย้อมด้วยกิเาลสตัณหาราคะด้วยความคิดความอยากอดีตอนาคตสังคมนี้เราแวสแวงหาอำนาจยดถามนาอาศเพื่อให้ได้มาซึ่งความตอบสนองต่อเวทนาเนี่ย ให้มันมากขึ้นมากขึ้นโยธามันมาห่อหุ้มตัวรู้นี่มันไม่บริสุทธิ์นั้นเวลาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามกับกายกับใจจึงไม่เห็นตามความเป็นจริงแลวเราก็มาทุกข์ในสิ่งที่เป็นแต่ละวันบรรยากาศทูกหน่อยก็จะตายคิดมากกินไม่เหมาะสมซะหน่อยไม่ถูกเปล่าทกข์ก็คิดมากอากาศไม่ดีนอนไม่หลับก็คิดมาก คิดมากเ่าะอะไรเพราะอาวิชามันห่อตลอดเลยสติเรานี่มันการเห็นนี่มันไม่บริสุทธิ์นะเขาจะบอกว่านําความพอใจและความไม่พอใจในโลกของสิ่งนั้นคืออยากมันพอใจในมันโดไม่พอใจในสิ่งที่มันเห็นเนี่ยเขาจึงเจอเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือสติที่บริสุทธิ์ที่มันเห็นอย่างบริสุทธิ์นี่แหละไอ้ น, นี้มันมีความสุขก็ชอบมันมีความทุกข์ก็เบือ่อปฏิเสธ เพราะอะไรเพราะสติเรายังไม่บริสุทธิ์ไงมันไม่รบริสุทธิ์มันไม่ใช่ธรรมชาติของมันมันเกิดจากการเพ่งการจ้องการนึกการคิดไอ้ตัวรับรู้เนี่ยมันยังมีอุปท า, านอยู่เราจึงมาให้มันรู้รู้แบบอิสระเดินไปเดินมาไม่ให้ความคิดมาจับตัวรู้เราพัฒนาความรู้สึกตัวเนี่ยให้มันมากขึ้นแต่ก็ไม่ให้เห็นว่ามันเป็นอัตตานะคือดูมัน เ, ยเฉย เห็นตัวรู้สึกตัวไม่มีอะไรมาห่อมันระลึกรู้มันหลงเข้าไปในความคิดก็รู้สึกว่ามันหลงเข้าไปก็ดึงออกมาอยู่ปัจจุบันไปเรื่อยๆโยนถ้าว่ามันเห็นตามควาไปเยอะอสุภะก็คืออสุภะอสุภะมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเหมือนว่าร่างกายของเรานี้เหมือนสร้างศพตายแล้วหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างสี่วันบ้างตามลําดับมันเหมือนคนตาย ศพที่ตายนั่นก็เหมือนกับเรานี้เราที่อยู่นี้ก็เหมือนกับศพที่ตายนั้นอายามปีฆโกกายโยร่างกายนั้นกับร่างกายนี้ก็เหมือนกันมันไม่ต่างกันถ้าเราดูแบบไม่ปรุงแต่งนะดูแบบตัวรู้ตัวดูเรามันบริสุทธิ์สะอาดเนี่ยแต่ถ้าดูแบบหงุหุ้มดูแบบพอใจแบบสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยนั่นทีเลยเราสังเกตดูนี เรานั่งเฉยๆเราดูเวลามีเสียงอะไรมาคนเต้นกระโจงโค้งเกงเข้าไปชอบติดในดนตรีในเสียงเพลงอะไน่นนี้คือมันปรุงทันทีเลยจิตเนี่ยมันฟังไม่ได้ฟังซื่อๆตรงๆแต่ฟังแล้วมันสนุกสนานเพลิน ๆ, ๆแต่บางคนฟังก็ธรรมดาเฉยๆฟังบางทีดนตรีแบบนี้ยขยะขแยงด้วยซ้าไปบางทีลำคาญจิตเนี่ยแต่เมื่อไหร่ที่เราจิตสามารถดูได้เฉยๆแบบไม่ปรุงแต่งแบบ จิตที่มันสะอาดตัวระลึกรู้ตัวดูเราเนี่ยมันสะอาดแท้แท้นี่ยเขาเรียกว่าธรรมะจักษุการเห็นแบบบริสุทธิ์ <c oughs> เขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมที่เราปฏิบัติธรรมเรามาเจริญสติระลึกรู้เนี่ยคือเราพยายามที่จะทําให้ดวงตาอันนี้เกิดการเห็นตามความเป็นจริงที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยนี่เราเห็นตัวเองอ่ามันก็คิดคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดถูกคิดผิด มันไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อไหร่ที่มันเห็นแล้วมันถอนความพอใจและความไม่พอใจในนั้นออกนั่นแหละเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมแท้ทนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิปรากฏเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละคือวิชชาตัวแรกเริ่มมาละเริ่มค้นพบเงื่อนปมมาละ ว, ว่าจะเดินทางไปทางไหนเริ่มรู้แล้วว่าเออการพัฒนาชีวิตคืออย่างไง จิต ท, ที่มันบริสุทธิ์มันเป็นอย่างไงก่อนที่เราจะคิดว่าเรามีกิเลสมีกิเลสมีกิเลสเนี่ยเราต้องเห็นจิต ท, ที่มันไม่มีกิเลสก่อนอย่างน้อยนี่เห็นจิต ท, ที่เฉยอย่างเนี้ยโดยธรรมดาธรรมชาติแบบ น, นี้อันหนึ่งกับที่เห็นด้วยอํานาจสมาธิพอเรามีสติกั้นเอาไว้ไม่ให้ความคิดความปรุงแต่งอวิชชาตนณ ม, ม, มันมาปรุงจิตเราเนี่ยเราจะเห็นจิตว่างเราจะมีความรู้สึกสํานึกขึ้นมาดีว่า เอ้ยเราทําได้เองได้ด้วยเมื่อก่อนมันเฉยเฉยเองธรรมชาติทีนี้เราสามารถทําได้เปดกั้นได้ดูได้เห็นได้เกิดปัญญาจนกทั่งว่าเออมันเฉยเป็นนะตัวเนี้ยตัวะระลึกรู้ในตัวธรรมชาติมันก็มีอย่างนี้นะเฮ้ยเราน่าจะทําให้เป็นสมุติเฉตนะแบบถาวรเลยนะไม่ใช่เขตตะทางคะหลุดพ้นเฉพาะครั้งเฉพาะคราวคือประหารมาเลยฆ่ามาเลย ค่าได้เป็นตัวจนทั้งได้ได้ทั้งหมดเป็นสมุิเช็ดเธอทำได้ทั้งหมดทำได้แบบถาวรเลยนี่คือเป้าหมายของการพัฒนาชีวิตตามที่พุทิยาาทันชีเอาไว้แบบหนึ่งถ้าเราพูดย่อ ๆ, อๆจะรู้สึกว่าเออทาสติมันมีมากขึ้นและสลายนี่ให้เห็นตามความเป็นจริงจนกระทั้งอะไรมาปรุงแต่งจิตนี่ไม่ได้ปรุงแต่งตัวรู้เนี่ยมันจะรู้แบบบริสุทธิ์มากรู้แบบธรรมชาติ ในนี้เราดูคนนั่นก็ดูเป็นสวยดูอันนี้เป็นงามดูอันนั้นก็ถูกใจดูอันนี้ก็ไม่ถูกใจดูอันนั้นก็เป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เป็นกูเป็นมึงเป็นมันดูด้วยสมมติจิตมันติดสมมติติดอวิชชาที่เราสั่งสมมาตั้งแต่เกิดเนี่ยเวทนาทั้งหลายทั้งปวงมันไม่บริสุทธิร์รูปไม่บริสุทธิ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าเรามันไม่บริสุทธิ์ เดี๋ยวนี้เรามาซักฟอกขันน้าเรามาล้างมันไปล้างที่ไหนจะไปล้างความคิดความปรุงแต่งหรือความจำหรือไม่ต้องแค่รู้สึกตัวไม่อยู่กับความรู้นี่ทำตัวรู้นี่ฮะบริสุทธิ์อย่าให้ตัวรู้เราถูกปรุงแต่งรู้กายเฉยๆถ้ามันจะปรุงแต่งดึงมันออกมารู้อยู่กับปัจจุบัน รู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้มากขึ้นความแหลมคมของตัวรู้นี่มันสามารถแทงทะลุเข้าไปถึงสิ่งที่เราติดยึดอยู่ในอดีตได้ด้วยด้นการเห็นอสุภะก็ดีเห็นเวทนาก็ดีมันเป็นไปเองโดยธรรมชาติเมื่อไหร่ที่จิตมันบริสุทธิ์เมื่อไหร่ที่ตัวรู้คือสติสัมปชัญ ญ, ญะเราบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่มีอะไรมาห่อหุ้มนี่มันจะเห็นเองโดยธรรมชาติแล้วจิตมันจะตื่นขึ้นมาเอง การที่เราพยายามที่จะดูอยู่เรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆที่เราลึกลึกรู้อยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าสติสตินี้มีการพัฒนาไปสู่ความพ้นทุก์ไปสู่ความเข้าใจชีวิตแบบวิปัสสนาตามหลักธรรมที่เขาเรียกว่าโพดชงโพดชงโพดชงโพด โภทิเนี่ยทิเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นทัชะตามหลักซ้อนชะเข้ามามันก็เป็นโพชชะโพชชะมาบวกองค์องก็คือก็คือส่วนประกอบหรือองค์ประกอบนะ องค์ประกอบที่จะนาไปสู่การตัดสู้หรือการรู้แจ้งหรือการถึงความเข้าใจชีวิตแบบสิ้นสุดปัญหาเนี่ยมันจะมีอยู่เจ็ดอย่างก็ mm hmm. คือเหมือนที่เราทำานี่ยแหละที่ว่าระลึกรู้ดูกายให้เป็นธรรมชาติมันดูกายให้เป็นอสุภะเห็นเป็นอสุภะมากขึ้นมาขึ้นตามความเป็นจริงและจิตมันจะเหนื่อหน่ายแล้วมันจะอิสระในการดูมันไม่ไปติด เมื่อก่อนมันเห็นงามเห็นดีเห็นเป็นเราเป็นเขาเป็นโกูเป็นมึงมันก็เข้าไปในนั้นทีนี้ถ้าเห็นว่าเออมันเป็นธรรมชาติที่มันผุพังเน่าเปื่อยเป็นธรรมชาตินะมันเป็นอนิจจ์นะอันเนี้ยถึงเวลามันก็แตกดับไปด้วยธรรมชาติแบบนี้นี่สติการดูอันเนี่ยเขาเรียกว่าสติการดูการรู้แบบเนี้ยเรียกว่าสติและเลี้ยรู้ดูอยู่เรื่อยๆอย่างเราดูกายก็ดูเฉยๆไม่ปรุงแต่ง และลึกรู้แบบนี้หรือถ้ารู้แบบรู้เป็นอสุภะก็ได้รู้อาการกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้ขณะที่ยืนเดินนั่งนอนเราก็จะเห็นความเมื่อยความเจ็บความปวดบางทีลุกลามไปถึงเห็นว่ามันผุพังเจ็บปวดเมื่อยแต่ถ้าสมาธิมันมากคือการรู้มันมีน้ำหนักมันมากเกินไปมันก็จะเห็นภายในเป็นกระดูกระเดี่ยว เป็นความผุพังเป็นอสุภะเป็นเน่าเปื่อยไปกับตาขณะที่เราเห็นเนี่ยถ้าสมาธิมันมากไปนี่เราเอาพอแต่เละเลึกรู้ให้จิตมันอิสระเฉยเฉยไม่ให้อะไรมาปรุงแต่งมันไม่ถึงเป็นสมาธิมากแบบนั้นก็ได้ก็นำไปสู่การพัฒนาคือพอประมาณนี่เองพอประมาณสมาธิพอประมา ณ, มา อ, มาณอย่ามาก อะไรก็ตามเป็นกลางๆเป็นพอประมาณสติะระลึกรู้เขาเรียกว่าสติสัมโพชฌงสติโพชฌงสติคือองค์แห่งการตัดสรู้ต้องพัฒนาตัวรู้เนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นตัวสังเกตตัวสติเนี่ยพัฒนามันมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นตัวสังเกตเมื่อก่อนะระลึกรูเ้เฉยๆต่อมาเริ่มสังเกตแล้ว เริ่มดูละกายเป็นยังไงเจ็บปวดเมื่อยเวทนาเกิดขึ้นเป็นยังไงพอใจไม่พอใจเป็นยังไงมันไปนตี่จริงอะไรโลกอเนี่ยอะไรมาเข้ามายุ่งกับตัวรู้เราเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมวิจยะหรือเรียกว่าธรรมวิจัยธรรมวิจยะสัมโพชงองค์แห่งการตัดสรู้ประการที่สองก็คือ จากตัวรู้ระ ล, ลึกรู้ธรรมดามันกลายมาเป็นตัวสังเกตแล้วก็คือตัวสตินั่นแหละแต่มันเริ่มสังเกตคือตัวเด็กนั่นแหละแต่มันเริ่มโตขึ้นมาแล้วมันจะเริ่มทำงานอะไรได้มากขึ้นเพียงแค่ระ ล, ลึกอยู่เฉยๆนี่มันไม่พอนั้นเราจึงมาเลี้ยงสติเราไปสู่การรู้แจ้งภายในเจ็ดวันเนี่ยให้มันโตเลยโตเป็นมหาสติเลยเป็นญาณทัศนะขึ้นมาเลย เราไม่ได้เอาเพียงแค่จะมารู้สึกตัวนี้ๆหน่อยๆแต่นั้นเองคือมาพัฒนาขบวนการการเรียนรู้เพื่อการสิ้นทุกข์หรือทางสายกลางอย่างถูกต้องเนี่ยตามหลักของโพุทชงสติและเล็กรู้พัฒนาขึ้นมาเป็นธรรมะวิจัยมันมีเจ็ดขั้นเราดูเป็นอย่างอันเนี้ย แต่ก่อนมันก็เลยรู้บ้างรู้บ้างพอรู้รูน้อยๆก็เอามาดูแล้วพอรู้นั้น้อยๆก็มาดูแล้วมันก็เลยหมดไปหมดไปอยู่ดีๆนั้นต้องทําให้ตัวรู้นี่มากขึ้นมากขึ้นแล้วมันโตตามลําดับมันลูกของเราแต่มันโตมันอยากจะไปเล่นโลดเล่นในสังคมเองโดยธรรมชาติมันถึงเวลามันจะออกไปเองนั้นเมื่อสติเรามันโตเนี่ยมันจะดูความคิดเองโดยธรรมชาติดูความปรุงแต่งดูกิเลส ด, ดูตัณหา มันจะเห็นอะไรทุกอย่างที่มันเป็นตามความเป็นจริงโดยธรรมชาติกายนี่มันเป็นอสุภะเมื่อถึงจังหวะหนึ่งที่มันเป็นตัวสังเกตมันจะเห็นเป็นอสุภะโดยธรรมชาติเราไม่ต้องเอามาพิจารณาแบบนั้นมาพิจารณาแบบนี้คือเมื่อมันโตแล้วมันจะเห็นโดยธรรมชาติมันมันจะเป็นตัวธรรมวิจัยนี้โดยธรรมดาทีนี้พอพัฒนาอีกตัวนี้พอดูมากมากขึ้นมากขึ้น สังเกต ด, ดูมากขึ้นมากขึ้น ม, มันก็มีเยอะนะสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับเราเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะมีอารมณ์ที่มันแก้ไขยากดูยากเข้าใจยากต้องมีความพยายามต้องมีความกล้าที่จะดูกล้าที่จะสังเกตกล้าที่จะเฝ้าดูอย่างที่เราบอกมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันง่วง ม, มันไม่ไหวได้นะกล้าไหมตัวนี้จึงเป็นตัวที่สามดูได้ต่อเนื่อง ดูแบบกล้าที่จะดูกล้าที่จะศึกษาจริงจริงจังนั่นเขาเรียกว่าวิริยะวิริยะก็คือคุณธรรมมาหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดการตัดสู่เกิดการรู้แจ้งเขาเรียกว่าวิริยะสมโพธชงธรรมะที่ไปสู่การรู้แจ้งประการที่สามเนี่ยต้องพัฒนาตัวรู้นี่มากขึ้นมากขึ้นจากสติตัวรู้ธรรมดามาเป็นตัวสังเกตจากสังเกตเป็นตัวพยายาม ถ้าต่อสู้กับบารม์ที่มันหนักหนถ้าสติธรรมดาแบบสังคมนี่แค่อ่านแค่เรียนรู้สนุกสนานเพลินเมิมันไม่ใช่สติสมโพธชงมันไม่ใช่สติที่นำไปสู่การตัสดสู่การรู้แจ้งมันโคลนกันในนั้นวิธีชีวิตทางโลกจึงไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาชีวิตได้มีแต่กรบเกลื่อนไปที ล, ล, ละเล็กละน้อย ล, ล, ละเล็กละน้อยทุกข์มันไม่หาย กรบตัวนี้มันงอกตัวนี้งอกจนมันบวมตัวนั้นดนั้นพอเรามีวิรยิยะสติพัฒนาให้มันพัฒนามาจาสังเกตเป็นธรรมวิทยะจากมาธรรมวิจัยคือวิจัยคือการสอดส่องนไม่ใช่เอามาคิดนะคือสังเกตนะเองอย่างเราสังเกตอารมณ์เราเนี่ยมันคิดนัเนี่ยมันไม่คิดนะั่นมันปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งสังเกตแล้วเฉยกับมันได้ไหมแต่ต่อไปเนี่ย อารมณ์น้อยๆในภรรษะเนี่ยมันจะดับได้ง่ายแต่ต่อมาเนี่อารมณ์ที่เป็นอาสวะอนุสใสที่อยู่ในใจเนี่ยมันพุ่งออมาแต่ละครั้งเนี่ยเราจะทนกับมันไม่ได้เราอยากทําตามมันคุณต้องมีวิริยะคือคุณมีความกล้าวิริยะแปลว่ากล้าและมีความเพียรมีความเพียรมีความกล้ากล้าที่จะสู้กล้าที่จ ะ, ะเผชิญกับสิ่งที่มันเป็นอาสวะกิเลสที่มันหมักงมอยู่ข้างในเนี่ย สติตัวนั้นแหละมันพัฒนามาถึงตัวกล้านี้ได้ไหมหรือแค่รู้นี่ก็ไม่รู้รู้ๆลืมๆรู้ๆงวงๆเงาๆรู้เลยก็คิดนั่นคิดนี่ถ้างั้นคุณอย่าหวังเลยว่าชาตินี้มันจะดับทุกได้ถ้าเรามีความกล้ามีกล้าสู้เนี่ยชัยชนะมันต้องเป็นของเรานะปฏิบัติธรรมเนี่ยชัยชนะมันต้องเป็นของเราเพราะทุกอย่างมันเป็นมายาเขาบอกว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นมายามันไม่ใช่ความจริง สามารถยืนหยัดอยู่ได้ไหมน้ําเนี่ยถ้าเราปักหลักดีๆเนี่น้ํามันไหลมามันมาแรงก็จริงนะแต่มันกระทบแล้วเดี๋ยวมันจะหายลมพายุก็เหมือนกันพอมันมานี่ถ้าเราจริงๆมันไม่มีมันเกิดการก่อตัวด้วยเหตุปัจจัยเฉยๆถ้าเราตั้งมันมันมากระทบมันก็จะหายไปเองแล้วมันก็ไม่มีลมพายุโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่กระทบกับปัสสาะของเราก็เป็นเหมือนกันแบบนั้นแหละกับจิตเราเนี่ยแต่สําคัญว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นปรมาธรรมได้ไหม ไอ้ตัวสติเราเนี่ยตัวธรรมวิจัยเราเนี่ยตัววิริยะเนี่ยถ้ากระทบปุ๊บมันผ่านไปมันเกิดความสว่างเกิดแจ่มแจ้งขึ้นมาได้มันจะเกิดปีติปีติความเอือบิ่มใจทําด้วยความเอือบอิ่มใจสู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าทำด้วยความท้อถอยความงเงเหยิดติดอารมณ์ปฏิบัติธรรมนี่ยทำด้วยความตั้งใจทา พอตั้งใจทําปุ๊บมันจะเกิดความชัยชนะขึ้นมาหรอกจะเกิดปีติคือความเออบิ่มจิตใจมันชุ่มชื้นยิ่งเมื่อไหร่ที่เราเอาชนะกีฬา ไ, ได้ระดับหนึ่งแล้วจะมีความพอใจความอิ่มใจจิตใจมันเฮืกเขิมมันคึกขนองขึ้นมาว่าสู้ได้ความรู้สึกว่าสู้ได้เอาชนะได้เนี่ยปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่ามันมีปีติอยู่ในจิตคุณยังมาถึงตัวปีตินี่ได้ไหมสามารถสู้กับความม่วงจนชนะเป็นไหม สติเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาถึงนี้ได้ไหมชนะความคิดได้ไหมเกิดความโอ้สึ่อสื่บิมทําให้ความคิดมันดับได้มันพรุงแต่งมันจะอะไเห็นมันเกิดแล้วมันดับไปได้จิตเราตั้งมั่นมีสมาธิละเดินไปเดินมารู้สึกตัวตัวพร้อมด้วยตัวเองมันพัฒนาขึ้นมาแบบนี้ไหมถ้าพัฒนาแบบนี้แสดงว่าคุณทําสติของคุณเริ่มโตขึ้นตามลําดับละโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นละภาษาลงพ่อเทียนก็เป็นแมวเริ่มโตขึ้นเราขุนเริ่มโตขึ้น จะสามารถไปกัดหนูได้ละวจีเลศก็ จ, จะเริ่มกลัวละทามันขึ้นมาตามลําดับขนาดนี้วันวันหนึ่งเนี่ยเราเริ่มต้นการทําแบบเนี้ยเริ่มจากสติตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาแล้วลึกรู้ขึ้นมาเรื่อย ๆ, ๆมีปีติมีความเอื้อปิ่มการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเริ่มคุณธรรมที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเขาเริ่มที่ เกิดธรรมปฏิติเกิดธรรมปิตเรรปติ้เกิดความรู้ตัวท่วพร้อมเนี่มันจะเกิดธรรมปฏิติความเออบิ่มใจมรรคผลเนี่ยมันมีตัวธรรมติวิติเป็นตัวเลี้ยงใจเนี่ยจะมีความสบายความโลง่งๆเออบิ่มอยู่ภายในมีปีติมีปราโมท ปีติคือความเาบื่อบีมใจเอืกอบมใจเใจพราะการเห็นเห็นแจ้งเกิดยิมใจเพราะการเห็นจิตของตัวเองมันไม่มีอะไรมาเกาะเกี่ยวเห็นได้เพราะมันเกิดการปล่อยวางแต่มันก็จะอย่ายให้มันดีใจมากถ้ามันมีปีติมากมันก็ไม่เป็นกลางละมันจะกลายเป็นความพอใจซะเป็นนิ ก, กันติเกิดความพอใจติดใจชอบใจ อย่าไปชอบใจดูมันเฉยเฉยตัวปีติสำโพชงก็เป็นองค์หนึ่งแห่งการรู้แจ้งถ้าปฏิบัติธรรมไปยิ่งเบือ่อยิ่งนายยิ่งขี้เกียจยิ่งอึดอัดขาดเครื่องไม่พอใจโอ้ยคุณห่างไกลธรรมะเนี่ยอย่าไปกลัวมันชั่วมาขนาดไหนก็ตามเถอะปฏิบัติธรรมนี่ดับทุกได้นะเพาวะว่าอนันตรยกรรม ปฏิบัติทำดับทุกไม่ได้พระเทวทัตทําร้ายพระพุทธเจ้าหลายครั้งสุดท้ายท่านก็ตั้งใจปฏิบัติก็เกิดได้อารมณ์สํานึกขึ้นมาพระพุทธเจ้ายังไปทํานายแลย้วพระเทวทัตต่อไปจะได้เป็นพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าและจะได้มาตัดสั้รู้เป็นพระปฏิเจกเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปขนาดพระ เทวทัตทำรายพระเจ้าที่เราบอกว่าอนันตฤกกรรมคือบาปมากคือทำรายพระเจ้าแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยจะได้บรรลุธรรมคือจิตวันหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อยู่เรื่อยๆวันนี้มันชั่ววันนี้มันดีมี่ันชั่ววันนี้มันสมมุติเฉยๆองคุริมานตั้งใจทำเนี่ยฆ่าคนมาไม่รู้กี่คนเมื่อไหร่ที่ตั้งใจที่จะรลลึกรู้อยู่กับปัจจุบันเมื่อตั้งใจที่จะปล่อยวางต้องใจที่จะมีสติมี ธรรมะวิจัยมีวิริยะมีปีติธรรมะปีติคือเขาก็สามารถบรรลุทมได้แต่ว่าเขาช่วยเขาพยายามที่จะพูดหลักธรรมของพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อให้มันห่างไกลสังคมมากนักไม่ใหมันห่างไกลสังคมมากนักก็เลยบอกว่าอย่าไปทามันนะนะมันบาปนะมันบาปคือมัน อ, ออกยากนะเนี่ยมันออกอยาก แต่ถ้าคนตั้งใจปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าไม่มันจะทําไม่ได้ทําไมจะทําไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยครอบครัวผัวเมียเขามาปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันบรรลุธรรมก็ยังมีเอา้ามาตั้งใจรักษาศีลก็คือรักษาความปกติตอนนี้แหละมีคนปฏิบัติธรรมมาในพระไตรปิดกยังมีเลยเมาเล่ามาเห็นพระบิณฑบาตไปฟังธรรมภ า, าสังสอนบรรลุโสดาบันั่นดีเลยขณะยังเมา แต่เราไม่เอามาพูดกันเราไม่เอามาสอนกันว่านี่คือสัจธรรมนี่คือพุทธภาวะนะถ้าใครทําถูกมันเกิดการรู้แจ้งขึ้นมานัะดีแต่มัญหาว่าเราเป็นคนจริงไ้ยเดี๋ยวนียเราจะทําจริงไหมถ้าทําจริงมันเกิดธรรมปิติขึ้นมานัะดีนะณปัจจุบันณเดียวนั้นเลยไม่จาเป็นต้องสะสมมาตั้งแต่เด็กแต่น้อย ถ้าสะสมมาตั้งแต่เด็กได้ไม่ได้ยิ่งดีแต่สามว่าใครที่เกิดมาในจะตั้งต้นสร้างบรรทัดฐานของครอบครัวตัวเองขึ้นมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยเนี่ยมันหายากขณะเราพยายามที่จะสร้างมันขึ้นมาพอถึงจังหวะหนึ่งมันก็แปลเปลี่ยนอยู่ดีนั้นณนะปัจจุบันนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้แหละนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่แทจริงของการศึกษาเพื่อจะดับทุกข์จริงๆแล้วมันก็เป็นไปได้ถ้าเราตั้งใจทําเนี่ย มีปีติมีธรรมะปีติธรรมะปิติ Napoleon. คือความเอืบอิ่มในธรรมธรรมก็คือสิ่งที่เห็นธรรมชาตินั่นแหะธรรมชาติของกายของจิตมันเป็นแบบนี้เนาะธรรมชาติของความปรุงแต่งธรรมชาติของการปล่อยวางธรรมชาติของทุกที่มันหลดไปเป็นอินเนาะเขาเรียกว่าธรรมะปิติคือความเอืบอิ่มใจเพราะการเห็นสัจจ์อันนี้ยเห็นสัจจานั้นจึงเกิดธรรมะปิติเนี่ยแต่มันยังไม่บริสุทธิ์เท่าไหร่คือสัจจานุโลมิกยาน ญาณที่เห็นสัจจะเห็นอริยสัจตามความเป็นจริงทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นอย่างนี้การเกิดดัำเนินการทํางานของทุกของมรรคมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันปรากฏชัดเมื่อไหร่เนี่ยความสว่างรู้แจ้งพลุบทีเดียวสิ้นสุดทำการปฏิบัติถึงที่สุดทุกมีธรรมปิติมีปัสสติปัสสติที่ความสงบสงานน่างี้คือเกิดการรู้แจ้งแล้วนะกระบวนการเนี่มีปิติมีปัสสิ ผ่านกันนิดเดียวเองก็มีแต่บางทีมีธรรมปิติอยู่เป็นปีก็มีบางคนเนี่ยแต่มันไม่ผ่านอันนี้ไปมีปัจสถิแล้วก็มีสมาธิสมาธิสัมโพชฌงสมาธิคือมีปัจสถินมีความเอือบบีมใจต่อไปตรอมาแล้วก็ปล่อยวางไอ้ตัวเอือบิีมตัวอะไรนี่ออกไปมันเป็นสมาธิจิตรวนที่ตั้งมันโดยธรรมชาติเลยทีนี้ ตัวที่มันตั้งมั่นโดยธรรมชาติอะไรมันกระทบมันก็เห็นโดยธรรมชาติไม่ได้มีปีติไม่ได้มีอะไรแต่มันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นแบบนั้นเน่ยเราพัฒนาสติมาได้ถึงระดับนี้ไหมพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเรื่อยๆรืยๆืๆมาจนตั้งเป็นมันมีสมาธิโดยธรรมชาติของมาเองที่เห็นเห็นการเกิดการดับแบบนี้ไหมถ้าเห็นการเกิดแบบดับแบบนี้มันก็ไม่สนใจอะไรอเราก็เฝ้าดูมักผลที่มันปรากฏ เฉยๆเขาเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาทาทาที่นำไปสู่การรู้แจ้งคืออุเบกขาสติธรรมวิจัยวิริยะปีติปัสติสมาธิอุเบกขาก็คือตัวสตินั่นแหละพัฒนาให้มันมากขึ้นอยากเลืเลึกรู้ให้มันสังเกตให้มันสังเกตมัน กล้าสู้กับอะไรที่มัน ย, ยากขึ้นไปพอสู้ชนะมันก็จะเกิดธรรมีติเออปิมพอรู้ตัวต่อเนื่องได้จริงๆริงในส่วนมากมันจะรุดตอนเนี้ยเมื่ อ, อไหร่ที่เราทําได้ต่อเนื่องนะี่ยเขาเรียกว่าวิริยะวิริยะคือกล้าทําให้มันต่อเนื่องส่วนมากเราทำํำน้อยๆแล้วลืมแล้วที่เกียจแล้วไม่เอาแล้วมันก็ไม่เกิดธรรม毗ติถ้าท่านทําตรงนี้ก็ทํามันยังไม่เป็นกลับไปบ้านทําต่อมันธรรม毗ติก็ตามมา อันนี้มันเป็นสามัญสามัญจะผลมีพิธิเดี๋ยวก็มีปัจธิตแหละความสงบสงัดเออใจมันสงบสงัดได้เองเราสามารถเห็นตัวเองว่ามันสงบมันสงัดในจิตใจเนี่ยมันสงบสงัดอยู่ข้างในหลวงพ่อพุทธทาสชอบแปลคำว่าปัจธิตแปลว่าเข้าเป้ามันเข้าเป้า คือมันเข้าอยู่ในภาวะที่มันควรจะเป็นละจากธรรมปิติเนี่ยมันจะมาเข้าสู่ในเป้าเป้าที่มันควรจะเป็นคือทิศทางมันเป็นแบบนั้นมันอยู่ตรงนี้เนี่ยของมันเนี่ยตัว น, นั้นเขาเรียกว่าปัจสัตธิอีกสักพักหนึ่งไอ้ตัวปัจสัตตินี่มันจะขยายตัวออกนะคือมันจะกว้างออกกลายเป็นสมาธิเองโดยธรรมชาติสมาธิทางตาสมาธิทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ทางความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยในการภาษาโอ้มันตั้งมันแต่ใหม่ๆเราเจอเรื่องเห็นตามองดูก็รู้สึกเฉยๆหนะ่งหูกระทบก็จะรู้สึกเฉยๆแต่จิตเนี่ยมันต้องอาศัยภาวะของตัวอุเบกขาธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นมันถึงจะตั้งมันไในเราอาศัยกันมาเฝ้าดูจนทั้งว่าสติที่เราพัฒนาตัวระลึกๆนี่มันพัฒนาขึ้นตามระดับอุ้มันโตขึ้นระดับนี้นะนะโตขึ้นนะโตขึ้นนะโตขึ้นนะ คือวางได้เรื่อยๆเรื่อยๆสมาธิเกิดขึ้นเรื่อยๆรู้สึกตัวทุกอย่างในที่สุดมันก็เกิดอุเบกขาโดยธรรมชาติแล้วมรรคผลก็จะเกิดตรงนั้นการวิมุตตหลุดพ้นก็จะปรากฏเกิดขึ้นจะเกิดญาณอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นตรงนั้นนี่คือการพัฒนาชีวิตที่เป็นไปตามหลักสัจธรรม เพราะอาศัยการมาเฝ้าดูชีวิตเนี่ยแต่การเฝ้าดูนี่มันโตขึ้นจเจริญเติบโต้นสติมันมากขึ้นแล้วมันจะเห็ น, นแบบนี้ชีวิตมันไม่มีอะไรแต่มันก็มีอะไรมีอะไรก็คือมีองค์ธรรมนี้ที่เกิดขึ้นตามลำดับจนทั้งนำจิตเนีน่ออกสู่ความหลุดพ้นถ้าเราไม่ทำแบบนี้กิเลสมันก็จะนำไปสู่จมลงไปในนรก จงไปสู่ความทุกข์ตกต่ำลงเรื่อยๆอึดอัดขัดเครื่องทุกข์อะไรเกิดขึ้นเรารู้สึกเป็นของเรานะ่ะตาหูจมูกเล่นกายใจแขนขาตีนมือญาติพี่น้องเป็นอะไรเรื่องของกูของกูทั้งหมดเลยพ่อกูแม่กูผัวกูเมียกูตีนกูมื อ, มอกูมึงทากับกูกูทากับมึงมึงมึงกูกู u, อยู่นี่แล้วจะไปทางไหนอ่ะมันก็ออกจากทุกข์ไม่ได้ จนตายฟรีๆชีวิตเนี่ยเพราะเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ใส่ใจที่จะพัฒนาชีวิตให้มันถูกต้องตามระบบของสัตว์จากเรามาแล้วเราหลงอะไรก็ไม่รู้แต่เราก็แข่งขันกันที่จะมีจะเป็นชนะีวิตเนี่ย ไม่เดมาเริ่มต้นของการดูโอ้ชีวิตกูเป็นยังไงเนี่ยมาเฝ้าดูวันมาหนึ่งไม่ได้ดูแต่ส่วนมากก็ดูอันนั้นดูอันนี้ดูทีวีดูหนังลุ่นคอร์ดูโ น, น่นดูนี่ดูข้างนอกจิตนี่มันไฟต่ําอยู่แล้วเน่ะมันเอียงไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นเนะ่ะมันเหมือนน้ําไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําจิตก็เหมือนกันไหลลงมาสู่ที่ต่ํา มันพอใจไม่พอใจมันสนุกสนานแล้วมาเกิดการติดอกติดใจสนุกสนานติดอกติดใจมันหวานมันเค็มมันเผ็ดมันติดอกติดใจกระทบปรสามันอ่อนมันนุ่มมันติดอกติดใจมันได้ยินได้ฟังแบบนี้คำย่องย่องสรรเสริญมันติดอกติดใจพอมันติดอกติดใจมันโน้มเอียงมันอดลงไปแบบนี้ยท่านจิตของพวกเราทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ต่ําแบบนี้ยมันถูกโน้มเอียงนี้แทนที่มันจะดโน้มเอียงทางมั่งท้งผลเนี่ยถ้าพอรู้ตัวทั่วพร้อมเกิดสติ เกิดเข้าสู่กระบวนการตำหลักของพ่อจงมันเอียงมาทางนี้มันมาทางนี้เดี๋ยวนี้เราตกมานี้กว่าเราจะขึ้นมาสร้างสติสัมปชัญญะเกิดธรรมวิจัยกับริยะเกิดปีติปัตติขึ้นมา ส, สูงเหมือนเดิมเนี่ยมันมีพลังขึ้นมาทาง น, นี้แล้วให้มันหล่นลงมาทางนี้ได้ดิแล้วมันไม่ขึ้นมาทางนี้มันไม่กลับพืนอีกเนี่ยยากมันยากเพราะเรามันหลงมากยิ่งคนจมลงตกลงไปในอารมณ์มากๆเนี่ยมันยิ่งขึ้นลําบากถ้าเราไม่ฝึกตอนนี้แล้วจ้ จะไปฝึกต้นไหนเราไม่ฝึกตัวเองให้เกิดความหายความเป็นคนหลงเนี่ยแล้วจะเกิดมาทําอะไรอีกมาเล่นมากู้รวยเล่นมากูจนกูได้กินหวานกูได้กินเค็มแล้วก็แก่ไปแก่ไปเรื่อยเล่นละครอนะันนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่มันเป็นสมมุติเฉยๆนะเนี่ยมันไม่มีความจริงในอันนี้นะ เราจะมารู้สึกว่าเราได้เราเสียเราได้แล้วเสียแล้วใจเต้นตุ้มตุต่ำตุ้มๆตทั้งที่เรามีทางให้เลือกอยู่แล้วเราไม่เลือกเนี่ยเราจะถือว่าเราเป็นคนฉลาดไม่เกิดมาเนี่ยตายฟรีน่ะเสียดายเกิดมาเป็นคนเฉยเฉยเ่เราไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพุทธธรรมมีทางเดินมีให้เลือกไม่เลือก ทางเดินมีปัญญามีอาหารมีภาษาอีสานโอ้โมกประเดกตั้งโจโกโสังมะจำตั้งแต่ตองเทนอ้ออีสานเขาโมกปลาร้คืออาหารที่อร่อยที่สุดมันตั้งอยู่ข้างบนทํำไมคุณไปจำแต่ใบตองคือนิพพานมันมีทางดับทุกมี ทำไมคุณมาอยู่กับทุกข์ทำแปลน่ะมันใช่ของเขานะถ้ารู้นะถ้าไม่รู้ก็คือเราก็ฟังไปเงี้แหล ะ, ะสัจจะมันจะปลิวม า, างไงก็ตามเราไม่มีเครื่องรับมันก็เหมือนไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจอยู่ดีแหละเหมือนเป่าปีใส่หูเทวดา ยอมไม่รู้เงินเราทั้งหลายมาอยู่ที่นี่ใส่ใจศึกษาชีวิตเนี่ยเป็นเริ่มต้นของการศึกษาการเข้าเรียนและใครจะเรียนไม่เรียนก็ช่างเขาแต่เราถือว่าเราเป็นนักเรียนเราจะตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาตั้งใจที่จะพัฒนาตัวสติสัมปชัญญะไปสู่องค์แห่งธรรมแห่งการรู้แจ้งให้ได้ให้มันเป็นโพชฌงเป็นโพธิให้ได้ เราจะเข้าสู่ดินแดนของบรมครูคือพระพุทธเจ้าที่ท่านว่ามาท้งนี้ดินแดนดับทุกข์ท่นี้บุญญเขตตังเป็นเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญเนื้อนาที่นำไปสู่การดับทุกข์เนี่ยในภาวะของพระเจ้าถ้าใครปฏิบัติทำได้เข้าสู่ในเขตของพระเจ้าพระพุทธเจ้าได้เหรียญทองของพระเจ้าคือเป็นพระอรหันต์เนี่ย มันจะมีอยู่คนสี่ประเภทปฏิบัติธรรมจิตมันวิ่งสี่ลัดสี่ครั้งโสดาสกิทาคาอนาคาอารหรันเนี่ยโสดาปฏิมักโสดาปฏิพลอนาคามีมักอนาคามีพ้กสกิทาคามัมกเสร็และอารหาหันต่มักอารหาหันต่พเนี่ยคือจบการเกิดมาเป็นคนนะก็กินข้าวเหมือนเดิมนอนเหมือนเดิมแบบธรรมดานี่แหละแต่พระพุทธเจ้าจะพูดทันทีเนยะ ข้แห่งบุรุษสี่ขนับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษจะตาริบุริสายุคานิอัตถะุริสัปุกลาโคอแห่งบุรุษสี่ข้นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาปะคะวะโตซาวกสังโคนี่แหละคนของพระพุทธเจ้าพวกที่สามารถเข้าสู่ดินแดนของพุท ธ, ธะเนี่ยคือพวกนี้ผู้ที่พ้นทุกข์ผู้ที่รู้แจ้งเนี่ยนับตั้งแต่พวกนี้ขึ้นมาจนทั้งถึงดับทุกข์ได้หมดเนี่ย เรามาที่นี่เท่ากับมาเอนทรานทำให้มันติดให้มันมีสติมีปิติมีปัสสิติมีสมาธิมีปิติมีสมาธิมีปัสสิตมีเวขาทำมนให้มันเข้าให้ได้ไอ้นี่ต้องให้ได้ระดับแด้ระดับหนึ่งอย่างน้อยก็มีวิริยะมีสติมีธรรมวิจัยมีการสังเกตแล้วก็มีตัววิริยะกล้าสู้กล้าชนเนี่ย กาสู้ในภัสสะที่กระทบภัสสะเนี่ยถ้าเราตัดได้บ่อยๆตัดได้บ่อยทิ้งได้บ่อยๆตรงนี้เนะี่ยตรงที่มันภัสสะอยู่บ่อยๆเนี่ยผัสสะระหว่างอายตนะมันประกบกันแล้วมันติดกันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยภาษาพระเขาก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอันนี้มันปฏิตจกันนี่ปฏิจจะต่ะตอของอายตนะมันติดกันความคิดมันติดกันตากระทบรูปแล้วมันติดอารมณ์ ปฏิบัติทำเพรมีสติันตัดตรงนี้เขาเรียกว่าวิริยะตรงนี้ยถ้ามีวิริยะเขตัดตรงผัสสนี่แหละถ้าผัสสนมันออกปุ๊บมันก็จะเกิดธรรมะปีติเกิดขึ้นมาหรอกนี่กระบวนการของการปฏิบัติตัดตรงปฏิจจสมุปบาทได้เลยกว่าที่เห็นปฏิสมุปบาทเรามาเฝ้าดูตรงนี้ก็เห็นเอา้ามันทุกข์ทุกข์เพราะมันคิดมันคิดมันปรุงแต่งขึ้นมามันทําให้มันยืดยาวเรื่องราวเนี่ย พอไหนเพราะเราไปพอใจมันทํำไมพอใจเพราะเราไม่รู้สึกตัวเยอะอ้าวนี่ก็คือการเรียนรู้อริยาาสัจสเรียนรู้เรื่องทกุกข์ละเรื่องสมุทยัยละนิโรธยังไม่เห็นรู้สึกตัวมากๆมักคือรู้สึกตัวมากๆเริ่มเห็นอยู่แต่ว่านิโรธมันทําให้แจ้งมันยังไม่แจ้งมันว่างๆหน่อยๆแต่ว่ามันทําให้ แจ้งแจ้งจึงทั้งหมดนี้มันยังทำไม่ได้ก็เลยลึกรู้มากมากนิโรธควรทำให้แจ้งมักทำให้มันต่อเนื่องมักก็คือรู้สึกตัวมากๆให้เห็นมากๆตัดมากๆวิธียัมากมาเข้ามาเข้ามาก็เกิดนิโรธขึ้นมานิโรธคือการดับทุกทุกมันก็หายไปหรือถ้าเราเลึกลึกรู้ดูอยู่บ่อยๆ บ, ย, บยเข้าบ่อยเข้าแล้วเราก็เห็นเห็นตามหลักของไตรลักษณ์ก็ได้ มีสติเริ่มดีสติเหมือนเดิมนี่ยสติจะมารู้ใจลักใจรักในรูปอ้าวมันเปลี่ยนแปลงน่ะมันไม่เที่ยงร่างกายสังขารนี่ก็ไม่เที่ยงเป็นธาตุมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติเราจะมาปรุงแต่งมันยังไงก็ตามจะให้มันสวยมันงามมันดีมันเด่นมันชอบมันชังมันอะไรก็ตามนี่ยจะแกจะไม่แก่ยืดแต่ยุไม่ยืดมันเสื่อมสลายโดยธรรมชาติอยู่แล้วคุณจะรักมันขนาดไหนก็ตามคุณจะชังขนาดไหนก็ตามมันก็เสื่อมโดยธรรมชาติมัน โอ้ดูเหตุมันเสื่อมโดยธรรมชาติเนะ้อไม่มันเสื่อมได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวนี้กระบวนการที่มันอยู่เนี่ยมันเป็นทุกข์ทุกข์แปลว่าทนสภาพเดิมไม่ได้มันทนไม่ได้นะนั่งอีสไนก็ต้องเปลี่ยนท่านั่งยืนอีสไนยก็นอ น, อนนอนอีสไนก็ลุกมาเดี๋ยวก็ต้องกินแต่กระบวนการกินยืนนั่งนอนนี่ก็คือมันก็เสื่อมเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยแหละเพราะมันอยู่ภายต่าภายใต้ไตรลักษ ไต้ภายใต้อันนี้ยังทุกขังอนาตามันทุกข์มันเสื่อมอยู่ตลอดเวลาเราก็ดูมันจิตล่ะจิตก็เหมือนกันน่ะความคิดที่มันเกิดแล้วมันก็ดับแต่ส่วนมากเราไปคิดแล้วไปติดอารมณ์อยู่นั้นพอไปติดอารมณเราไปชอบไม่ให้มันดับมันก็ทุกข์ทีทุกข์มันขังเรามันขังอยู่ในใจเรามันไม่ออกนะแต่ถ้าเราปล่อยวางเราเฉยๆมันดับไปเอามันก็ไม่ทุกข์มันเกิดมันดับโดยธรรมชาติมันดูมันดูมันมากขึ้นมากขึ้น อย่าไปยึดในมันความทุกข์เกิดขึ้นในมันหายไปความคึกเกิดมามันก็หายไปมันเป็นความปรุงแต่งใจปกติคือเฉยๆขันห้าเนี่ยจิตเราวิญญาณขันสังขันขันมันวังว่ามันเป็นขันว่างแต่ในนี้มันไม่ว่างพอมันไม่ว่างมันก็แน่นดิมันก็หนักดิฉั้นเราก็ต้องเห็นหาขันว่างให้ได้และลึกรู้มากเข้ามากเข้ามาต่อเนื่องเขาสังเกตวิจงวิจัย กลสู้ก็า้าตัดก็ปล่อยกวางอีกสนาก็จะเห็นความว่างปรากฏขึ้นอนัตตาจะมีมาอยู่ในจิตเราเนี่ยอ น, นัตตาครั้งที่หนึ่งเห็นอนัตตาครั้งที่หนึ่งเี่เป็นโสดาบันนะเนี่ยครั้งที่สองเป็นสกิทาคาครั้งที่สามเป็นอนาคาถ้าว่างถึงที่สุดก็เป็นว่าละหันอันนี้ศึกษาพุทธธรรมตามหลักของไตรลักษ์ก็รู้แจ้งได้ถึงที่สุดตักได้เพียงแต่ว่าเราจะดูแบบไหนเท่านั้นเองเนีแต่ก็คือใช้สติเป็นแกน มีสติระลึกรู้อยู่อย่างสม่ําเสมอถ้ามันยังไม่เป็นนะยืนเดินนั่งนอนคูเหยียดเคลื่อนไหวเดินไปเดินมาอะไรก็ตามให้ระลึกรู้ให้มันต่อเนื่องเอาไว้เพื่ออะไรเมื่อสติต่อเนื่องความคิดที่มันต่อเนื่องมันจะขาดถ้าสติต่อเนื่องความคิดมันไม่ต่อเนื่องแต่ความคิดต่อเนื่องสติมันไม่ต่อเนื่องมันมีสองเงนมีความรู้กับความไม่รู้มีสติกับคิดมีวิชากับวิชา ศึกษาดูให้ดีแล้วเราจะทราบซึ้งเมื่อก่อนเราร้องไห้เพราะเราเสียใจอะไรสักอย่างร้องไห้เสียใจไม่ได้นั่นไม่ได้นี่ต่อมาเราจะเกิดธรรมปิติความเอบอบิมเอบอบิมขึ้นมาในใจร้องไห้แต่ไม่มีน้ําตาร้องไห้กับความโง่ร้องไห้กับความหลง ร้องไห้ขับโอกาสที่เราสูญเสียไปในการเกิดมาเป็นคนเราเสียดายเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเสียดายแลวเกินเวลาที่ผ่านมาเราไปหลงจมกับความไม่รู้ของเราถ้าเรารู้อันนี้เราเข้าใจนี้โอ๊ยเราเข้าใจป่า น, นี้ไปแล้วนานแล้วดับทุกข์ได้แล้วนั้นในะวันนี้ก็ไมไ่ถือว่าเราเสียเวลาหรือเสียโอกาส เพราะธรรมะนี่มันเป็นอาการิโกทำได้ตลอดเวลาทำได้ทุกเมื่อไม่มีคำว่าสายไม่มีคำว่าสายนะคุณจะทำบาปทำกรรมอะไรก็ตามขอแต่ตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติเถอะคุณจะไม่เคยทำพุนํำทานมาขอให้คุณตั้งใจปฏิบัติเถอะอันนี้มันเป็นธรรมชาติ มันเป็นธรรมชาติถ้าทำถูกมันก็เกิดการรู้แจ้งอย่างเห็นไหมถ้าคุณโกรธคุณต้องทำบุญมาไม่คุณจะทำได้ไมมถ้าคุณโกรธคุณรู้สึกตัวความโกรธมันก็หายไปคุณจะทำบาปทำกรรมมาขนาดไหนก็ตามถ้าคุณเห็นคุณโกรธคุณปล่อยวางความโกรธมันก็ดับพระพุทธศาสนาสอนดับโบลภโกรธหลงตนเองไปศึกษาดูไปเพียรทาดูให้ต่อเนื่องดู แล้วทาที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยมันจะเป็นจริงขึ้นมาสัจจะทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะพระพุทธเจ้าพูดแต่เพราะมันมีอยู่แล้วในจิตเราเนี่ยให้เราไปเฝ้าดูวันนี้ก็คิดว่าเอาตัวนี้แล้วมั่งสมควรเก่เวลานะอนุโมทนาเอาความตั้งอกตั้งใจทุกคน